22. สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราวงเล็บเปิดหนึ่งสามีนาคม 2,551 ห้าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหวงเล็บปิดตัวอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ตัวถูกรู้ถูกดูทั้งหมดดูอย่างนั้นแหละร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดูเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยก็เป็นของถูกรู้ถูกดู สังขารคือกุศลและอกุศลก็ของถูกรู้ถูกดูตัวจิตเองรู้สึกไหมเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดใช่ไหมมันก็เป็นของมันเองมันก็ไม่ใช่ตัวเราอีกดูไปดูไปจะเห็นว่าตัวเราไม่มีฝึกไปเรื่อยฉะนั้นภาวนาถ้าเป็นแทบตายนี่เพื่อจะเห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้กูเก่งกูดีกูวิเศษกูมีความสุขแต่ภาวนาจนเห็นว่าตัวเราไม่มี วงเล็บเปิดสองิมีนาคม2551้าห้าบเอในวงเล็บสองจุดจุดนาทียี่สิบหวงเล็บปิดจิตนี้ก็เหมือนกันนะเราจเจริญไตรศิขาศีลศิขาจิตตะศิขาปัญญาศิขาจเจริญอย่างนี้แหละถึงวันที่เขาพอเพียงแล้วนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครทำให้จิตบรรลุมรรคผลได้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 ดูเวทนานี้เหมือนเวทนาคนอื่นดูจิตนี้เหมือนจิตคนอื่นไปดูอย่างนี้ดูเหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตนี่เป็นแค่สภาวะธรรมซึ่งถูกรู้ถูกดูสิ่งใดถูกรู้ถูกดูสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของอยู่นอกๆนะไม่ใช่ตัวเราหรอก